Thank you. ธรรมะหมวดหนึ่งเกีาตามาเรียกว่าธรรมะสำหรับผู้รักตนบางคนอาสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้รักตนด้วยหรือเพราะว่าคำสอนหูเจ้าก็ลนแล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องของหัวใจของพุทธศาสนาทนะ่านก็จะสอนว่าไม่ให้ยึดมั่นในตัวตน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 ข้อแรกนะก็คือว่าไม่เอาทุกข์มาทับถมตนก็หมายความว่าอย่าหาทุกข์มาใส่ตัวหรือว่าพูดให้มันชัดกว่านั้นนะคือว่าอย่าเพิ่มทุกข์ให้แกตัวเองหรือว่าอย่าซ้ําเติมตัวเองไม่หาทุกข์มาใส่ตัวก็เช่นว่าไม่ผิดศีล น, นะเพราะว่าถ้าผิดศีลแล้วเนี่ยก็คือการหาความเดือดร้อนมาใส่ตัว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 เช่นไปขโมยของเขาเออสำเร็จได้เงินมาคอร์รัปชันนะได้ทรัพย์สมบัติมาแต่ว่ามันก็เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเดือนนี้นี่นไปคอร์รัปชันมาก็มีปัญหาแล้วว่าจองเงินไปซ่อนที่ไหนนะเอาเงินไปใส่ออ ไ, นนะ ไ, สไว้ในธนาคารก็ไม่ได้นะกฎหมายฟ้องเองินเขาก็ตามตรวจได้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 มีสถานะมีชื่อเสียงนะมีเงินทองพอที่จะอยู่ได้สบายนะจนตายนะอันนี้ก็เรียกว่าถ้าคนเราเนี่ยผิดศีลเนี่ยมันก็ไปซ้ำเติมตัวเองนะหาทุกใส่ตัวอ บ, บายามุก็เหมือนกันนะถ้าใครไปข้องเกี่ยวแล้วมันก็เจอแต่เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจแต่ถึงแม้คนที่ไม่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 เป็นคาถาที่เอามาใช้กับตัวเราอยู่บ้างก็ดีนะก็คือพูดกับตัวเองว่ากูไม่ได้เกิดมาเป็นทุกข์โวยนะกูไม่ได้เกิดมาเป็นทุกข์โวยแต่คนเราบางทีมันก็โง่นะคาถานี้ใส่ตัวนะัมันก็มีเสียงเถียงมาในใจก็กูจะทุกข์กับมีอะไรหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้มันเป็นความโง่ของคนนะมันยังเถียงอีกนะกูจะทุกข์ก็มีอะไรหรือเปล่าบางทีมันมีนะคนเราเนี่ยมันรักความทุกข์มากนะ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 ถ้าไม่รักตัวเองไงก็รักพ่อแม่ทั้งหน่อยนั่งถึงท่านว่าเนี่ยท่านอุษาทนุทนมอมกล่อมกลาวเรามาเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อให้เรามาทุกแบบนี้นะถ้ารักท่านนี่ก็ต้องพยายามที่จะสลัดความทุกข์ไปจากจิตใจถ้าป่วยก็ป่วยอย่างเดียวคือป่วยกายนะไม่ป่วยใจถ้าจะหายก็หายอย่างเดียวคือหายเงินนะเงินหายแต่ว่าอย่างอื่นปกติถ้าจะรถติดนะเสียเวลาก็เสียแต่เวลาแต่อย่างอื่นไม่เสียนะยิ้มนะอยู่กับปัจจุบัน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 การกระทําที่ไม่ถูกต้องคนอื่นจกกนกระทั่งเราลืมหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราอย่างนึ่งก็คือว่ารักษาใจของเราให้เป็นสุขหลายคนเนี่ยโกรธแค้นเพราะว่าถูกเอาเปรียบเบียดเบียนหรือถูกรังแกและไคนเหล่านั้นเนี่ยก็ไ ม, ม่มารู้สึกสำนึกผิดไม่มาขอโทษเราเราลืมไปว่าหน้าที่ของเราคือรักษาใจให้ปกตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมีความโกรธเผาลงจิตใจ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 บ่อยครั้งเนี่ยนะเราเนี่ยนะไม่ได้ไม่ได้รักตัวเองแท้จริงเพราะเราเอาแต่ซ้ําเติมตัวเองนั้นถ้าเรารักตัวเองแท้จริงเนี่ยนะข้อแรกคือว่าอย่าหาทุกข์มาทับถมตนหรือว่าอย่าซ้ําเติมตัวเองเราทํางานเหนื่อยแล้วนะอย่าไปอย่าไปอย่าไปกลุ้มใจอย่าไปโมโหกับคนอื่นหรือเพื่อโรงงานที่เขาไม่ทํางานของเขาการที่เขา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 เขบอกว่าก็เคยทุกข์นะแต่ว่าวันหนึ่งก็ถามตัวเองว่าเนี่ยวันนี้ฉันจะใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับความโกรธแค้นไปตลอดชีวิตหรือเปล่าแล้วเขก็ตอบว่าเนี่ยได้คาตอบว่าฉันจะไม่ใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยจมอยู่กับความทุกข์กลดาชะตากรรมหรือกโกรธแค้นนะพอคิดได้ช่นนี้นี่เขาตัดสินใจนะว่าฉันจะไม่จมอยู่กับความทุกข์แล้วแล้วก็เปลี่ยนนะ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 อาจารย์ปุ๋มเคยเล่าว่าเคยไปอินเดียตอนนั้นไปเนี่ยในเพศสมณะบวชภาแล้วก็ไปอินเดียเพื่อไปเรียนต่อเรียนต่อตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกอาจารยมบอกว่าตอนไปอินเดียนี่นะมีความทุกข์มากทุกสารพัดเลยอย่างที่เราทราบอินเดียนี่มันมันไม่เป็นเมืองที่ไม่ค่อยน่าอยู่อะ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 ไม่สายนะหรือว่ายังมีโอกาสที่เราจะเปลี่ยนมันได้ครูบาอาจารย์เนี่ยครูพอเขียนอสอนนะว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นเวลาเราเจอทุกเนี่ยนะถ้าเราไม่ไม่เข้าไปไม่ปล่อยใจให้เข้าไปเป็นทุกนะลองลองลอ ง, ลองกลับมามองลองออกมามองออกออกมามองเนี่ยได้เนี่ยด้วยสติสติมันทำให้เห็นอันที่การเห็นทุกเนี่ย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 เห็นโทษของความยึดติดถือมั่นไอ้ที่ทุกข์ที่เศร้าโศกเสียใจจนเป็นเกือบจะเป็นบ้านี่เพราะความยึดติดถือมั่นพอเห็นโทษความยึดติดถือมั่นนี่ถอนออกมาเลยนะก็กลายเป็นภรริยาจ้าเป็นพระโสดาบันเป็นได้เพราะอะไรเพราะว่าเจอทุกข์แต่แทนที่จะเป็นทุกข์ก็เห็นเห็นทุกข์แล้วก็สามารถที่จะถ้าพูดภาษาของเราคือว่าถอดบทเรียน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 กลับมองข้ามพอไปมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่มีนะั้นมันทุกข์เลยนะอันนี้เรียกว่าปฏิเสธความสุขที่ชอบทํำหรือว่าเมินข้ามการที่มีพ่อแม่อยู่กับเราคนรักยังอยู่กับเราเนี่ยนนี้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะแต่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นไปรอไปหวังความสุขจากโน่นจากนี่นะจากฐานะตําแหน่งนะ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 สี่ข้อเนี่ยตระมาคิดว่าเป็นธรรมะสาหรับผู้รักต น, นที่ควรจะระลึกถึงเอาไว้แล้วข้อที่หนึ่คือว่าไม่เอาทุกมาทับถมตนหรือว่าซ้ําเติมตนด้วยความทุกข์ข้อที่2ก็คือไม่ปฏิเสธหรือมองข้ามความสุขที่ชอบทำํำหรือความสุขที่มีอยู่ก็สาคืออยากสยบมวมาในความสุขนั้นข้อที่4ี่คือว่าเพียรพยายามทําเหตุแห่งทุกข์ให้มันดับไปให้มันสิ้นไปอย่างน้อยเนี่ยทำสองข้อแรกให้ได้นะ แล้วถ้าได้แล้วเนี่ยค่อยมาทำข้อที่สามแล้วเติมด้ข้อที่สี่ซึ่งเป็นข้อที่ยากที่สุดคำนี้ก็พูดกันท่อนนี้นะกลับับ